ข้อความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมปปุโติยานกำลังนำเสนอานาถากรณธรรมคือธรรมะอันเป็นที่พึ่งสิบประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้จะมีการเน้นย้ำในสีข้อแรกเพราะว่าเป็นหลักการที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ในข้อต่อไปนั้นก็คือโสวสจัตสตาคือความเป็นผู้วางง่ายสอนง่ายเป็นพื้นฐานอัธยาศัยที่มีความอ่อนโยนมีสมมาคารวะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่ผู้กระด้างด้วยอำนาจของมันะแล้วไม่เป็นคนที่ดื้อดึงดื้อ ด, ดันดื้อดันพูดง่ายว่าไม่เป็นคนหัวดึอ การศึกษาก็ดีการปฏิบัติก็ดีการทำงานก็ดีแากว่าคนเรามีความดื้อดึงอยู่แล้วโอกาสที่จะประสบความสมเร็จจะเป็นไปได้ยากมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญหาเรื่องศาสนามันจะเน้นที่การพัฒนาศรัท ธ, ธากับพัฒนาปัญญานเป็นหลัก เดี๋ยวก่อนจเกิดปัญญามันก็ต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้จากผู้คนอื่นแต่ถ้าเราดื้อเรียกว่าดื้อดึงคือเขาห้ามไม่ให้ทำก็ยังทําดื้อดันเราไม่ใช่คือดื้อดึงนี่เขาให้ทําอย่างหนึง่งย่าไปทําอย่างหนึง่งดื้อดันก็จะเขาห้ามไม่ให้ทำก็ยิ่งยิ่งห้ามมันยิ่งยิ่งยุ่ ดือด้านเนี่ยเนี่ยเหมือนกับน้ำรถหัวสะคือพูดจากันไม่รู้เรื่องกรณีลองสังเกตว่าถ้ า, ากว่าเราต้องการจะปรึกปรืออบรมเด็กเนี่ยถ้าเด็กไม่ดื้อซะอย่างเดียวเนี่ยอย่างอื่นมันจะไหลลื่นไหลไปได้ตลอดแต่ถ้าเด็กดื้อแล้วเนี่ยจะพรึกปรืออบรมยังไงมันก็ทำได้ยากทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นดื้อๆๆดึงดื้อดันหรือดื้ด้านก็าตามควลักษณะของการดื้อเนี่ยท่านเรียกว่าธรรมพะที่แปลว่าเสานะคำวา่าดื้อเนี่ยก็เหมือนกับเสาคือไม่สามารถจะผลักไปไหนมาไหนได้มันตอกแน่นอยู่ในที่ตรงนั้นทีนี้เราเป็นสมาชิกของสังคม มันมีสังกัดมันมีที่ไปที่มาเลยต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลในวัยต่างๆในฐานะต่างๆเป็นอันมากกาวว่าไม่เป็นคนว่าง่ายสนง่ายทรงเรียกว่าเป็นสุวโจโสถ ว, วจสตาคือเป็นผู้ที่ว่าง่ายสนง่ายยินดีที่จะสดับสักฟัง ถ้อยคําจากบุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการกล่าวยกย่องหรือกล่าวตาหนิก็าตามเขาเรียกว่าโอวาดัขโมคืออดกั้นอดทนอดโทนอวาดคําสั่งสอนเพราะเรามองกันตามความจริงคือใครก็ตามที่มาโอวาดมาแนะนำมาสั่งสอนมาตักเตือนมาห้ามปรามตลอดั้งดุดานี่ จริงถ้าโดนคิดแนวอัตนาังอุปมังกตวากระทำตนไปดูประมามันคล้ายๆสีนะ่าให้ลองสังเกตคือการที่เราไปดุด่าว่ากล่าวตักเตือนใครเนี่ยแสดงโรารักคนนั้นคือคนที่เราไม่ชอบจะมองหน้ายังไม่อยากมองเลยพูดก็ไม่อยากพูดด้วยไม่อยากไปด้วยไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากคุยด้วยไม่อยากงองไม่อยากเห็นด้วยทําไป เพื่อนครก็ตามที่เราไปจำชี้จาใจว่ากล่าวตักเตือนแนะนําสั่งสอนห้ามปรามซึ่งอาจจะบางครั้งบางคราวอาจจะถึงระตาหนิหรืออาจจะลงโทษเขาเนี่ยที่จริงเป็นการกระทําด้วยความรักความปรารถนาดีต่อบุคคลเหลนะ่านั้นเพราะะฉนั้นสุวโจโสวโจิสตาเนี่ยคือความเป็นพู้ว่าง่ายสอนง่ายมันเป็นการปรับสภาพความพร้อมของเรา ที่จะศึกษาเรียนรู้ที่จะอยู่ในสํานักของครูบาอาจารย์ตัเวเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมันไม่สามารถจะให้เหตุผลได้นะฮะเพราะว่าประสบการณ์ในเรื่องเหล่านั้นเรายังมีไม่มากพออย่างที่เราเล่าถึงการเรียนบาลีเราเรียนไวยากรเนี่ยเราจะต้องสูตรในการแปลงศัพท์ในการแจกศัพท์อะไรต่างๆเนี่ย เจนวาว่ากับสีเป็นโออยูอยปธรรมาเป็นนาวังเอาอาก็อาเป็นเอนะอีดังสุอยู่หลังอีเป็นโออีเป็นพี่อะไรต่างๆเนี่ยซึ่ประเทไทยเราเนี่ยมันครังแล้วมันมันไม่มีเหตุผลน่ะมันมีเหตุผลบางคนก็อวดดีก็ไม่ยอมเชื่อครูบาอาจารย์สอนวิธีแจกวิพัตน์ต่างๆเนี่ย อธิบายกฎเกณฑ์วิธีแจกวิพัฒน์แล้วก็ไม่ยอมเรียนนะฮะเลยก็ไม่มีโอกาสเป็นมหาป ร, ริญญาแล้วก็มาอวดว่าไม่มีเหตุผลมันเป็นกฎมันเป็นกฎคือไวยากรณ์เนี่ยเขาเกิดขึ้นทีหลังคําพูดของพูดนะั้นมันมีมายามีมาก่อนวยากรณ์ไปสร้างกฎขึ้นทีหลังผลกฎเหล่านั้นก็จะต้องครอบคลุมภาษาที่สื่อสารกัน ทำไมภาษานั้นจึงเรียกอย่างนั้นภาษานั้นคํานั้นจึงเรียกอย่างนั้นทําไมคํานี้เป็นผู้ชายทำไมจึงเรียกเป็นผู้หญิงอเช่นว่าเป็นพระภิกษุนี่ทําไมจึงเรียกว่าธรรมธินาอย่างเงี้ยมันก็สามารถจะเรียกได้เคือที่จริงชื่อเนี่ยมันบ่งบอกเพศของคนแต่บางคนบางคนมันมีการนิพิเศษการนพิเศษก็คืออย่างนั้นเน่ยคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไปดื้อโดยไม่มีเหตุใน่มีผลอะไร เนอย่างเนี้ยเช่นว่าเจ้าผูดเราเปน็นดันมากโดยเฉพาะนักพิจารณาสมัยใหม่เนี่ยก็ตืวเขาแน่นะเขาเก่งเนี่ยเขารอบรู้ไปหมดเวลาพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องผลกรรมถึงตายแล้วเกิดเนี่ยถือม ง, ง, งายนะฮะเขาหาพวกเรางงายแต่เบอร์นี้มันมีใช้คําพูดอย่างหนึ่งเป็นความเชื่อส่วนตัวนะควรจะพิจารณา บางเรื่องไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเนะแต่ว่าคนที่เขียนอย่างนี้มันก็เขียนไปเรื่ยอยๆ ต, ตัวเองยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันก็เขียนไปเรื่อยๆเร่องการมีอยู่ของผู้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวคือไม่ใช่เรื่องความเชื่อส่วนตัวมันเป็นความจริงที่สัมผัสตรงแล้วคนที่พบเห็นนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านมีตาทิพท่านเห็นมันไม่ใช่เรื่องความเชื่อที่จริงมันเป็นเรื่องสิ่งสัมผัส เพียแต่ว่าคนบางคนที่นําเรื่องเหล่านั้นไปพูดเนี่ยฉันพูดตามความเชื่อของท่านแต่ว่าเชื่ออย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่ไปเชื่อส่วนตัวะคนที่ก็มีปัญญาได้รู้เห็นมีตาทิพย์เนี่ยเขาเห็นอย่างนั้นเนี่ยเห็นเหมือนกันทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งสัมผัสคล้ายๆกับเราไปกินเกลือแล้วเค็มเนี่ยคือมันเป็นความเชื่อว่าเค็มแต่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับสัมผัส แล้วใครไปกินอีกมันก็เค็มด้วยกันจึงไม่ใช่เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ว่าเราเนี่ยบางทีเราก็ใช้ความดื้อเอาต่างๆเป็นเหมนมากปัญหาใหญ่อยู่ที่การขึดปลืออบรมคือคนเราจะไปศึกษาแล้วเรียนในสำนักของท่านเนี่ยมันต้องอ่อนน้อมยอมรับนับถือก็อเรียกว่ายอมรับนับถือ เชื่อฟังแล้วก็ทำตามเชื่อแล้วก็ฟังพร้อมได้ทำตามกระบวนการศึกษาเรียนรู้จึงจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเริ่มกระด้างแต่การไม่ยอมรับนั่งถือครูมันก็จบแล้วเนี่ยก็เลิกพูดได้แล้วปฏิเสธครูนั่นเดียวนก็จบแล้วดัง น, นั้นในกระบวนการปฏิบัติเรยจะเห็นว่าเป็นนี่เป็นเรื่องของการสแสวงหาที่พึ่งให้แก่ตัวเอง ธรรมานั้นเราเรียนรู้จากบุคคลอื่นแต่า ก, การอบรมในนักวิชาการทั้งหลายผู้งานวิชาการทั้งหลายเนี่ ย, าารยเราเรียนรู้จากข้างนอกทีนี้บางทีมันไปเจอกับคนได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นอุปรชาตเป็นอะไรแต่อไรที่ต้องอบรมสั่งสอนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนับถือศรัทธาและพร้อมที่จะฟังและพร้อมจะทำตามต่อทั น, น คนคนง่ายสาว ง, ง่ายเนี่ยมันอยู่ระดับนั้นนะฮะระดับเอตทักฆะเลยคือยอดของพระภิกษุสีสบสามรูปที่เรียกว่าเป็นเอตตะทักฆะคือเป็นยอดของภิกษุทั้งหลายในด้า น, นาต่างๆเช่นภาษาดิบุตรเนี่ยเลิกทางปัญญาพระโมกขลานะเลิกทางดิษรา น, นุลเลิกทางภูตสูตรอะไรต่างๆเนี่ย พระเจ้าทรงยกย่องพระราธว่าเป็นผู้ยอดกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่ว่าง่ายสอนง่ายเพราะว่าพระราธกานั้นท่านสูนกระแสคือตามปกติแล้วคนแก่บวชเนี่ยบวชตอนแก่เนี่ยที่น่ากลัวที่สุดคือพระก็กลัวมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะนะเดี๋ยวนี้ก็ยังกลัวงไงคือกลัวความดื้อของท่านเพราะท่านถือว่าท่านอาบนารอดมาก่อน อะไรก็บางทีก็ท่านก็ควางไปอย่างนั้นเองก็ในชีวิตอาตมาที่จริงก็เจอพระที่หัวอ่อนก็เยอะนะฮะที่ท่านอ่อนน้อมท่านไม่ได้เขาเรียกไม่ชูงวงพระเจ้าทรงประทานโอวาสเก่บพระโมกคลานะว่าดูก่อนโมกคัลลานะเธอเพิ่นศึกษาจำเนกว่าเราจักไม่ชูงวงคือถือตัวคือแสดงมานะว่าเราเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน้นเนี่ยนะ อางพระบกการะนาะเป็นสกุลพราหมณมหาศาลมันน่าจะเกิดบรรณะเพราะว่าสะกุลแตกฉาสในใจเพศมันน่าจะเกิดมารณะเพราะความรู้มีทรัพย์สมบัติจํานวนถึงหกร้อยห้าสิบโกดรวยมหาศาลมากๆเลยก็เรียกเป็นมหาเศรษฐีแต่ในปัจจุบันก็เรียกมหาเศธธนะรษฐีนะฮะโกดนะฮะไม่ใช่ล้านนะ ซึ่งหมายความเอาสิบไปคูณข้าวเนี่ยลองดูว่าสิบหกก็หกสิบแบบกเรียกว่าหกพันกว่าล้านกหาปณะ น, นะกหาปณะ น, นะไม่ใช่เงินบาทนะเงินบาทเราตกตอนนี้ราคาถูกแต่ท่านก็ไม่ให้เกิดมานะเพราะถ้าเกิดมานะสักอย่างเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างพวกศักยะราชวงศ์สักยะ เพ่อจะเป็นห่วงตัวท่านพราะบวชชุดนั้นมันใหญ่กันเหลือเกินนะพระเจ้าพัทยะนี่เป็นกษัตริย์นะฮะกษัตริย์ที่สละราชสมบัติออกมาบวชเลยเจ้าชายอนุรุตก็เป็นพระอนุชานะลูกพระผู้น้องของพระพุทธเจ้าเจ้าชายอนุนก็เป็นลูกผู้น้องคือทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกผู้น้องพระพุทธเจ้าเวลาบวชเรื่องให้อุบาลีซึ่งเป็นช่างกระระบบมีบวชก่อน ลดมานะความกระด้างความถือตัวของตนพออุบาลีบวชก่อนก็ทำหน้าที่กราบไหว้ปฏิบัติวัตถาดต่อพระเถระต่อพระนะมันยังไม่ยังไม่เถระหรอกเป็นการลดมานะให้แก่ตัวเองคือเวลาทานี่ท่านเป็นพรามแก่ที่กรุงรัชจะครึกก็ไปหลวงจะบวชก็มีศรัทธาจะบวช ก็มาเฝ้าอยู่ที่วัดเนี่ยมาขอร้องให้พระจะบวชให้พระท่านก็ไม่ยอมบวชให้พระเจ้าทรงรู้ด้วยพระยาณก็เลยเสด็จเข้าไปในวิหารซึ่งราต้าพระมาใส่อยู่ราก็ออกมารับเสด็จกันเป็นจําบทมากราต้าพระก็อยู่ตรงนั้นพระเจ้าก็รับสั่งถาม ท่านก็กราบทูลในสงรารว่าท่านนัปรารถนาจะบวชแต่ว่าไม่มีใครยอมบวชให้เพราะว่ากลัวเป็นคนแก่หัวดือ้อพระเจ้าก็ทรงรู้ว่าองค์เนี้ยคนเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่ปรารถนาที่จะจะบวชให้เองเพื่อต้องการเชยชูภาษาริบุตรก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหมดเนี่ยพวกเธอทั้งหมดอนีกใครคำนึกรลึกถึงอุปการคุณของพรบ้างไหม ภาษาบุตรก็กลาบทูนว่าข้าพระองค์ลำเลึกได้คือคราวหนึ่งข้าพระองค์ไปบินธบาติที่กรุงราชครืแล้วก็พรามได้ถวายเข้ามาหนึ่งทพีพระเจ้าจึงรับสั่งว่าเออมอเป็นชะนั้นการจะตอบแทนบุญคุณของพรามโดยการบวชให้พรามเสียด้วยเนี่ยไม่ดีเลยพระเจ้าก็ารับประปฤิ บ, บัติ แล้วบวแล้วภาษาดิบุตรทั้งกอ่อจิตสายดูแลอบรมสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนอะไรก็ตามราชาพราหมณ์ในปฏิบัติตามไร้หมดแล้วก็นำไปบิดาบาดไปไปไหนก็ไปด้วยกันจะดูแลให้ความสะดวกสบายแก่ท่านดูไม่นานท่านมันลุมากผลเป็นพระหันภาษาริราบุตรก็นำมาฝากกับพระเดจ้า พระเจ้าก็รับสั่งถามเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนภิกษุนะว่าเป็นไงสติริริกเป็นไงว่าง่ายดีหรือพระสารีบุตรบอกว่าว่าง่ายอย่างมหัศจรรย์มากเลยพระเจ้าจึงทรงประรบเรื่องเนียว่าคนเราเวลาผู้อื่นเขาว่ากล่าวตักเตือนชี้แจงแนะนําสั่งสอนเนี่ยเป็นการกระทำด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ ก็ที่จริงก็แสดงถึงความเป็นกัลยาณนะมิตรประเภทที่มิตรแนะนําบอกกล่าวในสิ่งที่เป็นประโยชน์อัทกคายีนะฮะอัถธคายีมิตรนี่ก็หมายความาทั้งหมดนั้นก็คือห้ามปราบไม่ทําความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีแล้วก็ทําไปโดยจิตใจที่มุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลคนั้น พยาไมา่เขาได้ฟังในสิ่งที่เขาไม่เคยฟังพยาอธิบายสิ่งนี้คือฟังแล้วแจมแจ้งแล้วก็บอกทางสวรรค์ให้เพราะคนที่มุ่งดีปรารถนาดีเช่นนี้รับสั่งว่ามันเหมือนกับเขาชี้บอกคุ้มรับให้เนี่ยคือบางครั้งก็อาจจะฉุดกระชากไปอาจจะคุมคูคุกคามหรือเคียนตีเพื่อนําเราไปสู่ครังสมบัติซึ่งเราไม่ยอมไปอะ ที่ขวังสมบัติแต่เร า, มามไม่ยอมไปยอมไปเขาก็ฉุดไปกระชากไปนะอาจจะเครียดตีไปหรือผากสายไปแต่ว่าเอาไปเพื่อให้ได้ทรัพย์เขาทําด้วยความปรารถนาดีเมื่การดรื้อก็กลายเป็นอุปสรรคเพีางก็สอนให้เป็นสุวโจโสถวจสตาความเป็นผูว้วาง่ายสอนง่ายยินดีที่จะรับโอวาทคาสั่งสอนของบุคคลทั้งหลาย พระเจ้าทรงยกย่อมพระราขุนจึงเป็นพระโอรสนะฮะพระวุเนี่ยท่านเป็นเป็นสามนเณนรน้อยที่น่ารักมากคือท่านตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยท่านกอบทายขึ้นมากรำหนึง่งกอบกอบสายขึ้นแล้วโรยลงไปอธิฐานว่าวันนี้ขอให้ท่านได้รับโอวาททางสอนจาก พระพุทธเจ้าจากพระอุปชัชฌายาอาจารย์เด็กภิกษุทั้งหลายเนี่ยมากเหมือนกับมเมล็ดใส่เพราะฉะนั้นเป็นผู้ค่ายต่อการศึกษาและยินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังอว่าคำสั่งสอนตักว่ากล่าวตักเตือนนะสมัยนั้นมันไม่มีหนังสืออ่านนะฮะถ้ามีหนังสืออ่านท่านก็คงอยู่ในห้องสมุดประจำแต่เมื่อไม่มีหนังสืออ่านมันก็ต้องเรียนรู้ต้องศึกษามาจากคนอื่น คนสุบจโจความเปวว็นผูงง่ายสอนง่ายเนี่ยพร้อมที่จะยอมรับนับถือศรัทธาและก็ฟังและทําตามบุคคลที่ควรแก่การยอมรับนับถือศรัทธาแล้วก็ทําตามถึงถ้าหากว่าคนเหล่านั้นปฏิบัติได้นี่คือบางครั้งนี่มันมันเป็นกฎเกณฑ์นะฮะเป็นกฎเกณฑ์เช่นว่าพระเราเนี่ยมันมีธรรมะกับวินยัยธรรมะเป็นลักษณะคําสอน คือเรารับผิดชอบโดยตัวของเราเองคือถ้าเราไม่ปฏิบัติตามก็เป็นกรรมของเราเองเราปฏิบัติตามก็เป็นความดีของเราเองแต่วินัยไม่ใช่นะฮะวินัยเป็นเรื่องของหมู่คณะที่มันจะเกิดเป็นภาพลักษณ์กระทบต่อองค์กรองค์รวมของความเป็นหมู่คณะเจนสมมุติเราพระกอไปทําอะไรเพี้ยนเพี้ยนข้าเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนต่อสังคมสงฆ์ทั้งปวง เพราะว่ในแนวของวินัยเนี่ยเขาเรียกว่ามีนิเคราห์ประเคราะห์ยังกาวพระเจ้าทรงรับสั่งว่าดูก่อนอัน น, น์เราจักกนาบแล้วกนาบอีกหรือคมแล้วคมอีกคนที่มีสาระก็ตั้งอยู่ได้คนไม่มีสาระก็ต้องออกไปเพราะในธรรมวินัยยังมีมาตรการในการเขาเรียกว่านิเคราะหประเคราะห์คือตําหนิแล้วก็ยกย่อง นะใครมีความผิดพลาดบกพร่องก็มีการลงโทษกันแต่จะต้องเกิดความสำนึกโดยตัวเองมาตรการแร้งแรงจนขนาดว่าไล่สึกออกไปมาตรการที่รองลงมาก็ต้องให้ทรมานตัวเองอยู่กรรมแล้วก็ประกาศความผิดพลาดบกพร่องของตัวเองให้คนอื่นก็ทราบนี่ก็เป็นหลักการหนึ่งหนึ่งที่ถ้าหากว่าคนว่ายากสอนยากหัวดื้อแล้วเนี่ย ไม่พ้อมที่รับฟัง อ, อวาจนคำสั่งสอนเนี่ยมันก็จบสิ้นกันคือทาอะไรไม่ได้เพราะในแวดบุญของการศึกษาอบรมเนี่ยคือสังเกตมานานแล้วว่ามันมันเหมือนกับคนเดินนะนะคนเดินทางหรือแข่งวิ่งแข่งมาลาทอนคล้ายๆกับวิ่งแข่งมาราธอนคือตอนออวิ่งแข่งนี่จะเยอะมากแล้วคนจะ ลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงที่เรียกว่าแพรคขัดออกคือออกไปในระหว่างทางนี่จะเยอะแต่จะถึงจุดหมายปลายทางนี้ไม่เท่าไหร่เพราะใการที่ไม่ถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็คือความกระด้างอวดดื้อถือดีความแข็งกร้าวจนเกินไปดืดดึงดืดดันดือด้านมากจนเกินไป จนไม่มีใครต้องการจะเข้หาสมาคมด้วยในที่สุดก็อยู่กับสังคมในสภาพที่เรียกว่าบมาหัวเน่าก็อยู่ไม่ได้และในที่สุดก็ถูกก็ทอดทิ้งไปแต่ถ้าหากว่าคนว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยพระโมคคัลลานะได้เคยพระโมคคัลลานะตามปกติท่านไม่ค่อยไม่ค่อยอบรมพระนะฮะคือเราจะพบน้อยมากที่ท่านอบรมพระนะคราวหนึ่งท่านเรียกภิกษุมาเพราะเห็นว่าพระ บางทีไปปรานาขอให้พระคุณเจ้าได้อาศัยความเมตตาต่อกระผมท่านได้เท้าได้เห็นได้ยินในรังเกียจสงสัยในความประพฤติของกระผมก็ขอได้โปรดกรุณาว่ากล่าวชีนนะ้หน้าตักเตือนแต่พอเตือนไมจริงโกรธมันก็เป็นปัญหาข่าแผ่นดินแล้วคาศาสนาอยู่ในเวลานี้นะจริงๆว่าไปปรานาขาดศาสนาอยู่เวลาไีน พิธกรรมในวันมาปรานานั้นเป็นพิธีกรรมที่ถือว่ายิ่งใหญ่นะะคือสงฆ์ที่ทําปรานได้เนี่ยต้องมีห้ารูปขึ้นไปไม่ใช่ว่าใครๆก็ทําได้แล้วก็เมื่อทําไปแล้วเนี่ยวันนั้นเป็นวันปฏิโมกนะวันอุปสมบทุเจ้าจกเว้นให้นะไม่ต้องทําปฏิโมกจะให้ปรนกันและกัน ทิ้งเราทากันจนเป็นก็เรียกว่าศาสนพิธีพิธีกรรมไม่ได้เน้นที่ศาสนปฏิบัติเวลาทํานั้นธรรมะถมแมงมากเพียงแต่ว่ามันเป็นทํากันในส่วนพระหรือเป็นเรื่องเหมือนกับอุโบสถนะฮะคือลงกันเฉพาะพระญาติโยมไม่ได้เห็นนะแต่เวลาทําในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะเพียงแต่ว่า เขาก็จริงแล้วส่วนหนึ่งนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดผู้จาการไม่รู้เรื่องคือรื้อดึงเมืองเดิมตอนพระโมกขลานะท่านก็ตักเตือนให้สติในอนุมานในสูตรในมัชิมนิกายเนี่ยว่าคือพระเหล่านั้นจะปรานาหรือไม่ปรานาก็ตามแต่ถ้าเป็นคนไม่หัวดือ้อไม่ว่ายากสอนยาก ดีความพร้อมจะรับฟังโอวาทคำว่ากล่าวแนะนำตักเตือนจากบุคคลอื่นเพื่อจะประมาจารีทั้งหลายก็พร้อมที่จะว่ากล่าวแนะนำตักเตือนแต่ถ้าปรานน้าไว้แต่ว่าเป็นคนวัวดื้อวายาสนยากนี่ใครก็ไม่อยากเล่นด้วยใครก็ไม่ต้องการที่จะว่ากล่าวตักเตือนคนที่วัวดื้อวายาสนยากในลักษณะนั้นนั้นโดจะเห็นว่า เป็นแนวคิดที่เอาตัวเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ว่าไอคนที่ดื้อเนี่ยเราไม่อยากพูดด้วยเสียเวลาเป่าเมื่อก่อนเ็าพูดว่าสีซอยขวายกว่าวง๋ยวนี้เ็าพูดว่าสีซอให้แท็กเตอร์อฟังอะไไม่รู้เรื่องเลยุูจากันไม่รู้เรื่องปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่บางทีคนนี้ไม่ประสบความสาเร็จเนี่ย ก็ดื้ออย่างเดียวเป็นนานมาแล้วเคยพบคนคนหนึ่งไปขับไปอะไรอ่ะรถทามอ ต, ตุกตุกเนี่ยก็นั่งมาแต่มานั่งมาแล้วก็มาใจปัจจัยปลายทางนะเด็กนิวัตใจแล้แกก็มายืนมองมาวิเชลัยมาองกุฎราตอะไรเนี่ยแล้วก็น้ําตาไหลสงสัยก็ถามแกว่าเรื่องอะไรแกบอกแกก็เป็นนักศึกษาที่นี้ แล้วก็เพื่อนแกรุ่นนั้นตอนนั้นก็เป็นรองาศาสตราจารย์เรามาเป็นาศาสตราจารย์นะเพื่อนรุ่นเดียวกันเนะี่ยแต่แกดื้อ น, นิดเดียวเรื่องนิดเดียวนะไม่น่าเชื่อเลยเรื่องสอบตกแล้วก็ไม่ยอมแก้ตัวประท้วงโดยการศึกไปเลยมันดับอนาคตในขณนะที่เพื่อนร่วมรุ่นเป็นศาสตราจารย์ในตัวเองเป็นคนขับสามล้อเคลื่องนะ นี่ก็คืออะไรก็เกิดมาจากความเด้อเพราะความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายจึงเป็นนาถาการธรรมที่มีความสําคัญอิปการหนึงง่งทั้งฝั่งทั้งหลายแต่โบาปุยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจงมีงแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี